พระยาโยมและบรรดาผู้สูตรทั้งหลายรับฟังการแนะนําในการเจริญกรรมฐานวันนี้ก็จะพูดดึงกสินต่อแต่ว่าการเจริญกรรมฐานก็ทุกคนอย่าลืมเบื้องต้นคือเบื้องต้นตามอุทุมบริกาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำหลักสูตรทวิชาสามว่าดับแรกก่อนที่ทําอะไรทั้งหมด ข อ, อทุกคนชำระสินก่อนว่าถ้าสินไม่บริสุทธิ์สมาธิยังไม่ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เพราะต้องต้องสามอย่างมีส่วนเกี่ยวเ น, นื่องกันคือหนึ่งถ้าสินบริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งมั่นถ้าสมาธิตั้งมั่นใจเยือกเย็นใจหายเปลียปัญญาก็เกิด เมื่อปัญญาเกิดแล้วก็มีกำลังตัดกิเลสกระงความว่าทั้งศีลสมาธิปัญญานีต้องครบทนบริบูรณ์ทุกคนการสมาทานกรรมฐ า, านแล้วแต่ว่าไม่ควบคุมกำลังใจเพื่อในการรักษาศีลอย่างนี้สมาธิจะสรงตัวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลเบื้องตน้นโดยคือศีลห้า ถ้าเราไม่สามารถจะทรงศิลหะได้เราก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นได้คือพระโสดาบันระโซดาบันนี่มีสามขั้นคือเอกบิสีโกลังโกละสัตตาสตุปรมะปัโสดาบันเบื้องต้นอย่างอ่อนก็เรียกว่าเอสัตตาสตุงคือสัตุสัตตาสตุปรมะคือว่าจงเวียนไหวใจเกิดในวัฏฏะอิกิตชาต แล้วก็ไปนิพพานพระโสดาบันขั้นกลางที่กว่าสัตตะเรียกว่าโกลังโกละอย่างนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอิกสานชาติแต่ไม่ต้องลงมาใบภูมิถ้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องลงมาใบภูมิเมื่อเวียนว่ายใจเกิดครบสามชาติแล้วก็ไปไปนิพพานพระโสดาบันขั้นละเอียด ที่เรียกว่าเอกับบีีอย่างนี้เกิดอีกชาติเดียวปริทันด้วยความเมตสินเป็นพื้นฐานสำคัญของการเจริญสมาธิถ้าทุกคนรักษาสินไม่ครบถ้วนสมาธิจะทรงตัวนานไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะ ก, ก้นอบายภูมิได้ ในระยะนั้นจะบอกว่าเมื่อชาสะศีลดีแล้วก็ก่อนที่จะภาวนาและพิจารณาก็ให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงให้มีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนในสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครในกรทีสองเราจะมีอารมณ์สสาร ก่อทนายจะสงเคาสส่งรัฐกนัตย์ให้มีความสุขการที่ยราจะยึงันได้การนิสามจะตัดอารมณิจฉาที่สี่ยาเือเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยไม่ไม่ชาเขาจะ ไ, ได้การนิสิวเบขาวางเฉยแต่ถ้าเิ้งใครมีความทุกข์เกินวิสัยที่เราจะยึงช่วยได้เราไม่ซ้าเติม เราจะนิ่งเฉยอยู่ยับยั้งอยู่ก่อนในเมื่อทุกคนํำระศีลดีแล้วถึงก่บศีลบริสุทธิ์แล้วก็แผ่เมตตาจิตเป็ น, นจักรวาลทั้งปวงตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดอารมณ์จิตก็จะเยือกเยน็นเมื่ออารมณ์จิตเยือกเย็นแล้วต่อไปเขาพยายามคิดหกักข้ามนวรรห้าประการ นิว ร, ร, รณ์ห้าประการนี่เราห้ามเฉพาะเวลาที่เราเจริญภาวนาแลือพิจารณาพยายามปกติจิตของเราจะยังตกไปทาด น, นิวรณ์อยู่แล้วในปของธรรมดายังยังข้ามไม่ได้นิว ร, ร, รณ์ห้าประการคือว่าในระหว่างที่เราจะเจริญกรรมาฐานเวลานี้เราต้องไม่นึกถึงความรักในระหว่างเพศไม่นึกถึงบุคคลที่เราไม่พอใจ แล้วไม่ทราบไม ป, ปล่อยให้ความง่วงครอบงำแล้วไม่ทําจิตให้ฟุ้งซ่านเกินไปไม่สงสัยในผลการปฏิบัติเพราะทั้งห้าอย่างนี้กินอวเพราถ้าบา้าอวบทั้งห้าอย่างนี้สัอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามาครอบงําจิตเวลานั้นจิตเราจะทรงสมาธิไม่ได้เมื่อทรงกําลังดีแล้วก็ภาวนาพิจารณาไปตามหลักวิชา ตอนนี้ไปก็จะพูดเดี่ยวกระสินทำ ป, ปฏิบีกระสินต่อให้เตโชกระสินนะจำหลักกรสินเตโชกระสินคือกระสินไปเอ่อถ้าหากว่าทุกคนถ้าบังเอิญทําปฏิบีกระสินได้ถึงที่สุดแต่ว่าความจริงกระสินนี่อย่าทันกองไหนก่อนก็ได้ตามใจชอบ ถ้าทํากองใดกองหนึ่งได้คล่องตัวดีแล้วนั่นสมมติว่าเข้าชานันสีออกชันสีได้ตามชอบใจอีกคล่องตัวก่อนจะทํากองต่อไปเข้าชาันกองต้นก่อนถ้าเข้าชาันกองต้นก่อนถ้าจับกองต่อไปถ้าบังเอิญเราทรงชานสีได้แล้วเข้าชาันสีในกองต้น เลยกำลังใจจิตให้เป็นสุขจับผ้ากระสินใสสะอาดเป็นแจ้วแหววบริยับอย่างนี้เป็นกำลังของชัน พ, อ, พอกความปรารถนาแล้วก็จับกองที่สองกองที่สองที่เราจับนี่จะเป็นชาง4สี่ทันทีไม่กันคือไม่ต้องขึ้นหนึ่งสองสามก็เริ่มจับกองต้นที่แรกจะมัวนิดหนึ่งแต่ใช้เวลาไม่ถึงสองนาที กองที่สองต่อไปที่เราจับใหม่ก็จะสายสะอาด <c oughs> เท่ากับกองที่หนึ่งก็เชื่อว่ากองที่สองก็เป็นชานสีก็พปยามทรงอารมณ์ให้นานตามสมควรถ้ามันมันเลื่อนหายไปกำลังใจตกเครื่องที่ว่าชาเ น, นี่ส่งนานนั่นก็ไม่ได้ไม่ใช่บังคับแต่ได้เพียงว่ามันไม่สามารถจะอยู่ได้นาน ถ้าจิตมันจะลางตกลวมมาก็คุ ม, มันกำลังใจไว้แช่อุปจาระสมาธิให้จิตเป็นสุขพอจิตสบายก็นึกจับภา้ากรสินใหม่กรสินก็จัใส่ตามเดิมถ้ากำลังใจของทุกคนเข้าถึงฐานสี่แล้วต่อไปก็ฝึกการใช้ปิญญ า, าเฉพาะเตโชกสิน แตโชกระสนินกระสินไฟใน่วามหมายแปลว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่มืดเราต้องการแสงไฟทำแสงสว่างอันดับแรกจเจริญสมาธิกระสินจับเข้าจิตถึงอุปจาระสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยสมาธิพอจิตเป็นสุขกำหนดใจว่าขอแสงขอกองไฟจงปรากฏขึ้นที่นี่ เราจะ่าคิดว่าเป็นกองไฟก็ได้เป็นตะเกียงก็ได้เป็นคบก็ได้เป็ น, เ ป, นเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดมันเป็นแสงไฟอะไรกันไปอยู่ที่เราอธิษฐานเมื่ออธิษฐานแล้วก็จับภาพกสิณในทรงทางสีม่จับภาพกสิณทรงทานทรงทา ง, งสีแล้วก็ถอยหลังลงมาหลวงปู่ปรจาระสมาธิก็นึกในใจว่าขอกองไฟยังปรากฏตรงนี้แล้วเข้าทานสีใหม่ อย่างนี้กองไฟจะปรากฏขึ้นเราจะมีแสงสว่านจากกองไฟแต่ถ้าบาังเอิญในสถานที่นั้นอากาศเย็นหรือหนาวมากเกินไปเราต้องการจ้เกิดความอบอุ่นก็นิพฐานจิตเวลานี้เขาคิดจเป็นองศาเป็นเซนิเกรตว่าในระหว่างนี้ขอความอุ่นยมปรากฏเท่านี้องศาเซนิเกรต มาอธิษฐานแล้วก็คำใช้กำลังจิตเข้าถึงชางสีแล้วก็ถอยหลังออกมาทุปจารสมาธิเพียงเท่าเรียอากาศจะอุ่นตามใจเราชอบหรือว่าถ้ามีเสียงใดกีดขวางที่ไฟสามารถจะทำลายได้แล้วก็อธิษฐานตามรูปเดิมให้ไฟเผาอ น, นั้นสมมติว่ายามันรุกมาก ถานที่เราอาศัยต้องถึงความจำเป็นในสําสคัญไม่จำเป็นก็ไม่ควรเราจะถากจะแทงก็ไม่ไหวไอ้ฐานให้เกิดไฟเผาแผลหญ้าจุดนั้นมันยะเผาตามจุดย้าหมดไปแล้วไฟก็จะเลิกด้วยการอดีตฐานจิตใช้กำลังเข้าสินที่ว่าเข้าอุปจารสมาธิเข้าจานสี่นี่มันเป็นระยะจานเข้าตึตอนแรก ถ้ามีความชำนาญจริงๆก็ะบวนการเข้าฌานออกฌานได้ตามชอบใจตอนนึกปับ๊บฌันก็เกิดนึกปับ๊บฌันก็เกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเข้าฌานออกฌานก็ให้มันยากเป็นแต่เพียงคิดว่าจุดนี้ที่สถานที่นี้เย็นเกินไปเราต้องการให้อากาศอุ่นเท่านี้อากาศจะอุ่นทันที หรือว่าสถานที่นี้มืดเกินไปเราต้องการสว่าง่างแสงไฟขอแสงไฟกองไฟยมปรากฏตรงนี้โตขนาดไหนสว่างขนาดไหนกองไฟยมปรากฏทันทีหรือว่าสถานที่นี้รกทัดมากเกินไปถ้าเราต้องการจะเผาผลาญที่ตังนั้นซึ่งมันไม่เป็นอันตรายกับสัตว์ ให้เหมือนเตียงก็ข อ, อนึกแต่ใจว่าขอกองไฟจะเกิดตรงนี้ไฟจะเกิดทันทีเขาถ่านแค่ไหนแค่นั้นถึงแค่นั้นแล้วไฟก็ดับกเกิงความมาใช้ได้ตามความประสงค์ทุกอย่างแต่ว่าทางนี้จะลืมว่ากระสินสร้างขึ้นมาได้จากบุญกุศลถ้าหากว่าถ้าคิดหวังจะทำลายด้วยกำลังโผรฐาทางจะเสื่อมเมื่อทางเสือนะ่อมแล้วอริสงกระสินก็ไม่เกิด ันเรียนใช้ได้เฉพาะในกิจที่มีความจำเป็นจริงๆหรือว่าการในสองถ้าเราใช้เพื่อความโอ้อวดว่าเราเก่งสางมารถบรรดาในไฟเกิดได้สามารถบรรดาในความอบอุ่นเกิดได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราฟาัางการโอร้อวดอาจจะทำได้แค่ครั้งสองครั้ง ก็ต่อมาในเมื่อคนมีคนเคารพนัถือมากมีคนทังเสริญเยนยอมมากเราติดในคำทางเสลิญอย่างนี้กำลังสมาธิจะเสื่อมชังจะเสื่อมจะไม่สามารถทำได้ต่อไปรวมองความว่ากาสินที่เราสร้างขึ้นเพื่อผลของการตักกีเลสที่สำหรับเตโชกสิ่งก็เป็นกสิ่อันหนึ่งในสามกองที่เป็นพื้นฐานของทิ่จกุยานคนจะใช้ น, นี่มากกว่า คือว่าถ้าเราต้องการใช้เป็นกําลังของที่มีคุญานก็ใช้กําลังของกเกษงแค่อุปจาระสมาธิไม่ใช่เข้าถึงฌานแต่ความจริงถ้าต้องการจะให้อยู่แค่เห็นอะไรนา น, านๆได้เข้าถึงฌานก่อนเมื่อเข้าถึงฌานสีมีกําลังทรงตัดีแล้วถอยหลังกําลังจิตออกมาให้อยู่ขั้นอุปจาระสมาธิ หลังจากนั่นก็อธิษฐานว่าเวลานี้ขอภาพกรสินจงหายไปขอภาพที่เราต้องการจงปรากฏขึ้นอย่างาท่านเคยพูดมาบาอยากจะรู้จักพระอินทร์ว่าพระอินทร์ถ้ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจริงๆเขาเขียนว่าทางสีเขียวด้วยความจริงท่าเขียวหรือไม่เขียวแล้วก็ตั้งภาพกสินขึ้นมา เราจ้างภาพกระสินแล้วก็อธิษฐานว่าขอภาพกระสินนี้ไม่กระสินจนหายไปขอภาพไปอินจนปรากฏอย่างนี้เราก็จะเห็นตัวจริงท่านไม่ใช่ภาพหลอนว่าท่านนั่งอยู่ที่ไหนเวลานี้เราจะเห็นนั่งแล้วนอนยืนเดินก็าตามถ้าอยู่ที่ไหนก็าตามเราจะเห็นท่านชัดแัดเท่าภาพกระสินแต่ต่อไปเราอยากจะจะรู้จักวิมอยก็ท่านรู้จักอะไรก็ได้มันได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการ แต่ว่าท่านี้ต้องรักษากำลังใจให้ตกเป็นท่าของนิวร์ท่าของนิวรณที่อภิญญาฤๅชาสามก็คือว่าตัวสงสัยวิจี่จีห์สาตัวที่ห้าแต่ตัวสงสัยได้ผลการปฏิบัติถ้าพลาดจิบรลายกดเข้นมาแล้วปั๊บท่าจิตสงสัยวันแน่หรืไม่แน่จริงหรือไม่จริงอย่างนี้กําลังสมาธิจะคลายตัวความไปที่จะแสลาย จรมองความว่าท่านที่จเจริญเตโชกสินความมุ่งหมายมรณานนสงฆ์ก็สินมีมากแต่ว่าจุดที่มีความสำคัญที่เห็นว่าสำคัญมากคือความไปทิษของจิตเพราะการที่ฝึกความไาทิ่ของจิตเราระ จ, จะตัดความสงสัยเสียได้ในคำสอนพระพุทธเจ้าตีพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเกิดแล้วเมื่อตายจะความเกิดแล้วม่สภาพใหม่ศูนย์ ว่าขณะที่ก่อนจะตายถ้าบุคคลใดมีกําลังใจแจ่มใสมีมีอารมณ์กุศลบุคคลนั่นจะมีสวรรค์เป็นที่ไปจะมีสวรรค์เป็นที่ไปบ้างจะมีสัมมโลกเป็นที่ไปบ้างหรือไปเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ดีมีความสุขมีความร่ํารวยถ้าบุคคลใดก่อนจะตายมีกําลังใจเศร้าหมองประกอบไปได้วยอกุศลบุคคลประเภทนั้นอาศัย ใ, ใจที่คุณโมวะ ตายจากความเป็นคนก็ไปนรกก่อนจากในรกก็มาเป็นเปรตจากเปรตก็แบกสุริยกายจากสุริยกายเป็นสติฉันจากสัติฉันมาเป็นคนก็ยังเป็นคนดีไม่ได้ต้องเป็นคนเลวถ้าความเศร้หมองคองจิตในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้เราก็ไปสูตรตามความเป็นจริงท่นี้ถ้าบังเอิญอยากเขราเราตายไปและเพื่อนของเราตายไปและคนที่เราเคย เคยรู้จักตายไปเราก็อยากจะรู้ว่าเขาตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ยกภาพกสินขึ้นเม่อจับภาพกสินชัดเจนภาพกระสินนี่เราต้องพยายามให้ชัดทาจิตให้ชัดเพราะว่าการที่เราจะเห็นอะไรต่อไปขนาดนั่นหมายความเราเห็นภาพกสินชัดขนาดไหนเราจะเห็นสิ่งที่เราต้องการชัดขนาดนั้น ว่ายกนตัวนี้ก็สิงขึ้นแล้วหลังจากนั่งอธิษฐานว่าขอภาพกระสิงจนหายไปภาพคนที่ตายไปแล้วเวลานี้อยู่ที่ไหนจงปรากฏกับเราแต่ความจริงเขาไม่ได้มาหาเราเราเห็นเขาเขาอยู่นรกเราก็เห็นในนรกนรกขุมไหนเขาก็ทราบดีทุกเวรทุกเวรดานาดไหนเขาก็ทราบด้วว่าเป็นเปรตเป็นคนกายเป็นสติชัยเกิดเป็นคนแล้วเป็นเป็นนางฟ้าไปเถวดาแลรืผมเอ๊ะที่เราทราบหมด จะรู้หมดแต่ น, นี้ถ้าบังเองิญว่าคิดเห็นว่าเขามีทุกขเวทนาว่าเขามีทุกขเวทนามากาเราต้องการจะช่วยเขามีความสุขเราจะทำงไงอันนี้มันก็ไม่ยากถ้าเห็นเขาแล้วกว็าถามเขาโดยตรงถ้าเวลาด้านบังเอิญเขามีทุกขเวทนามากเขาพูดไม่ได้มีไฟเผาร้อนจัดบ้างมีหอกแทงบ้างมีดาบจัดบ้างมีค้อนตีบ้าง ไม่เราไมมีโอกาสจะพูดกันเราก็ต้องการเห็นว่ามีใครบ้างเป็นผู้ควบคุมอยู่ในกลุ่มนี้เราก็จะเห็นเมื่อเห็นแล้วก็ขออนุญาตคนนั้นบอกขอคนนั้นขึ้นมาจากขุมขอคุยกันไปเดี๋ยวหนึ่งเมื่อเขานาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าที่มีทุกเวญจนาอย่างเนี่ยเพราะอาศัยกรรมอะไรทําอะไรไว้เขาจะบอกตามความเป็นจริง แล้วก็ถามว่าถ้าเราจะช่วยจะช่วยดีทีไหนจะทําบุญแบบไหนเขาจึงจะได้เมื่อเขาบอกแล้วเราก็มาทมํทาบุญทําบุญการนั้นเสร็จเวลาจะให้เขาก็ติดต่อตามไปจีให้เห็นเขาเพวกก็ได้แเราข้าขึ้นมาจะขุมบอกขโมทนายอย่างนี้จะมีโอกาสกลมความว่าถ้าจะเห็นใครยกภาพกระสินอันนี้ก็เป็นวิธีการเขาบุคคลไม่ฝึกเบื้องต้นถ้าขั้นท่านที่คล่อ ง, งจริงๆในกสิน ก็ไม่ต้องลึกจะยกภาพกระสินแค่คิดว่าเราต้องการพบคนนี้จะพบทันทีทันใดแล้วก็สามารถจะพูดจะคุยกันได้ก็ไม่ต้องเสียเวลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลใดจนานาในกระสิงกองใดกองหนึ่งการฝึกมโนทิติของทุกคนจะมีการคล่องตัวและมีสภาพแจ่มใสจะมีการส่งแาลดี เพราะว่ามโนยิทธิที่ฝึกนี่เป็นพุทธานุสติอันดับแรกแล้วก็รการต่อไปก็เป็นกสินกสินของมโนยิทธิจริงๆที่เป็นกําลังก็เป็นอะโลกสินกสินสีใสโดยการเห็นภาพพระพุทธเจ้าเป็นแก้วแผวตาเป็ะยับอันนี้เป็นอโลกสินแต่ว่าทำนึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธานุสติแสดงว่าเราทำกรรมฐานสามอย่างควบกัน คือหนึ่งอนาปานุสติรู้ลมหายใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสามอารมกสินนึกถึงสีใสของพระพุทธเจ้าคืมโนยิธิที่ว่าเป็นอสินก็เป็นอสินอย่าง อ, อ่อนกำลังยังไม่เข้มแข็งนักในการทรงสมาธิยังไม่ดีนะักต่อที่ไปก็จะอธิบายถึงมโนยิธิคาว่ามโนยิธิแปลว่ามีริษทานใจ ทำว่ามีทิตทางใจก็หมายความว่าเราจะสร้างสรร์ใจของเราเนี่ยให้เกิดความเป็นทิศเมื่อใใจเกิดความเป็นทิศขึ้นมาแล้วกําลังก็เกิดกําลังความเป็นทิศก็เกิดสามารถไปพบไหนก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพุทธโลกก็ได้แต่เวลานั้นจิตสะอาดถึงที่สุดจะไปนิพพานก็ได้เบื่อต่ำเราจะเป็นนรกขุมไหนก็ได้ไปแดนเปรยก็ได้แดนสุรกายก็ได้แด้สันติชัยก็ได้ จักรวาลโลกนี้ทั้งหมดเราต้องการไปที่ไหนไปได้ทุกจุดเขาจะปิดจะบังจะกั้นประตูว่าที่ไหนก็าตามเราเข้าได้แต่ในจั ก, กรวาลดวงดาวต่งางๆอย่างดวงดาวพระจันทร์ดวงดาวคันดวงดาวเกตี่ฝลั่งกาลังไปกันนี่เราสามารถจะไปได้โดยไม่ต้องใช้คุณมากเพียงแค่ีถ้ามีวิธีกรรมก็พูดเส่มเพียงสามต่อทุกทุกเพี้ยนหนึ่งเล่ม พวกสี่ห้าสามดอกหรือห้าดอกแค่นี้ก็ไปได้ถ้าบังเอิญในเวลานั้นไม่มีธูปไม่มีเทียนเราก็ไปได้ใจเคารพ็นพระเจ้าที่อย่างเดียวโรงความอันดับแรกขอทุกคนทำทิกุยานให้เกิดก่อนตอนต้นจริงๆทุกคนทำใจแบบนี้นะในช่วงระยะเวลานี้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งหมด ทำจิตใจใสสะอาดย้ายมีใจขุ่นมัวคือเรามีความรักในบุคคละศัตร์ทั้งโลกเรามีความโสงสารในคนละศัตร์ทั้งโลกจะนี้เป็นต้นแล้วข้อสําคัญที่สุดเรื่องศีลระวังให้มากมีหลายคนบอกว่ามาปฏิบัติอยู่กับวัดหรือสถานที่ปฏิบัติกับครูแตาช้อยดีไปไหนก็คล่องพอไปบ้านแล้วมันเปิดจะแสดงว่าไปบ้านแล้วบอกกล้องไในศีล สิ่นนี่ต้องส่งตัวจะอยู่ที่นี่ก็ต้องทรงตัวจะอยู่ที่บ้านก็ต้องทร ง, งตัวคือการาารักษาสมาธิ <c oughs> ถ้าสิ่นบกพร่องสมาธิก็บกพร่องไปด้วยอันดับแรกจริงๆเขาจะคนรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้าหายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้าหายใจออกแต่การรู้ลมเข้ารู้ลมออกมีปล่อยร่างกายไปตามปกติ อย่าบังคับร่างกายให้ใจแรงหรือเบาถ้าบังเอิญให้ใจแรงเกินไปเราบังคับให้ใจแรงเราจะเหนื่อยถ้าบังคับลมห้ใจเบาเราจะอึหัด่อยร่างกายร่างกายย้ายใจขนาดไหนเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องพอดีของร่างกายเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็เ อ, อาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าได้ใจออก วันนี้ก็ต่อไปก็ภาวนาตามเวลาให้ใจเข้านึกตามวันะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพระพระคำภาวนาที่แช่สี่คำคือเป็นท่าสี่ท่าสี่นี้เป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบอย่าลืมว่าให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกนึกว่าพระพระดอยตามสบายๆนะ ในขณะที่ครูเขาแนะนำเวลาปฏิบัติกับครูจริงๆครูได้ภาวนาแบบนี้ประมาณสิบนาทีแต่ระยะเวลาสิบนาทีนี่ขอทุกคนโปรดทราบว่ามันก็ไม่สามารถจะคุมอารมณ์ให้ทรงตัวตลอดการได้เพราะจิตเราเคยฟุ้งซ่านนี่เป็นของธรรมดาภาวนาไปบ้างรู้ลมไม่ใจเขาออกไปบ้างสักปะเดี๋ยวหนึ่ง จิตก็จะเคลื่อนไปนึกอย่างอื่นเข้ามาแทรกนี่เป็นของธรรมดาของจิต <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งบั น, นามตัวเองว่าชั่วยังไม่ชั่วเพราะเราเป็นคนกําลังฝึกยังไม่ใช่พระอารหันต์ถ้ารู้ตั ว, วจิตไปคิดนอกรู้อกทางไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นของเราใหม่ให้ใจเข้า น, นึกว่ันะมา ใ, ใจออ ก, อาากนึกพระถ้าเกิดหนาที่รู้ลงไม่ใจเขาออกที่ขอทุกคนจนอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดปารมิติขอจิตจะไม่เกิดเวลานี้ หลังจากนั้นเมื่อมีการรักษากำหดลงไม่ใจเข้าออกกับภาวนาประมาณสิบนาทีผู้แนะนำเขาจะเข้าไปแนะนำขณะที่มีคนเข้าไปจะแนะนำเวลานั้นไม่รู้ว่าเขาเข้าไปแล้วทุกคนเลิกและเลิกภาวนาทันทีเลิกภาวนาด้วยเลิกรู้ลงไม่ใจเข้าออกด้วยปล่อยใจตามปกติ แต่ตั้งใจรับฟังคําแนะนำของผู้แนะ น, นําผู้แนะนำเขาจะแนะนําในการตักกิเลสตอนนี้ขณะที่เราฟังคําแนะนําของเขาเราอาจจะคิดตามไปบ้างเวลานั้นขณะที่ฟังทำจิตจะห่างบ้างห่างจากกิเลสจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทีละน้อยทีละ น, น, น้อยเมื่อใจเราที่มันเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสทุ้มพอ เมื่อเกเรถาวรมาแล้วความสะอาดของจิตก็ปรายกฏเมื่อจิตสะอาดความเป็นทิพย์ก็ปรากฏเมื่อความเป็นทิพย์รากฏเวลานี้ผู้แนะนําเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบางังอย่าดืมว่าทุกคนจะลืมว่าเขาถามด้วยความรู้สึกไม่ถานตาเห็นให้เชื่อความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกที่จะไม่ผิด ถ้ามีความรู้สึกว่ามีก็ให้ตอบว่ามีท่านก็ถามว่าท่านผู้ที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาถามได้ไหมายวาถึงพระอริยะบ้างพระอินบ้างสมบ้างนางฟ้าบ้างเทวดาบ้างที่มาสงเคราะห์ถ้าเรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามนั้นเขาถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามนั้นนการได้ความเป็นทิศขบันดาญาติโยมย่อมไม่เสมอกัน บางคนมีจิตสะอาดจากกิเลสน้อยจะมีแต่ความรู้สึกตาจิตไม่เห็นภาพบางคนจิตสะอาดจากกิเลสปานกลางมีความรู้สึกตาจิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักบางคนมีจิตสะอาดที่ดีสุดจิตมีความรู้สึกปตาจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแต่ว่าทั้งนี้ขอทุกคนถือความรู้สึกเป็นสำคัญถ้าใครมีความรู้สึกไปยังไงก็ตามนั้น แม่ตอบถูกต้องเขยพาพาแนะนำท่านไปพระจุฬามูนีเจดียสถานบรสวรรค์ขัน้นดาวาดีงต่อจากนั้นไปถ้ามีกำลังพอเขาจะนำให้ปนิพานธ์อรบรรดา ญ, ญาโยงพระบริษัททุกท่านตอนนี้ไปขอทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีล ส, สม า, า, าทานไปกรรมฐาน